เเมื่อวันที่22มิถุนายนพอขอสองกัรหารคตันักรัฐบาลศาสตร์การอุบัธิารณ์พระอาการนะครับโบราณคำพันกุ์คำว่าทมหมายถึงสิ่งที่ดีและถูกต้อง เป็นแบบสบับของสิ่งทั่ทวไปท่านเรียกว่าธรรมสภาพของธรรมคือความเที่ยงตรผู้มีธรรมจึงเป็นผู้เที่ยงตรงมีความคิดคู่ถูกธรรม เป็นความคิดที่ตรงการกระทําและคู้ทุกอาการของความเคลื่อนไหวเป็นไปด้วยความถูกต้องความถูกต้องนี้แหละเป็นแบบสบับของคู่ปฏิบัติจะได้รับผลเป็นที่พมงพอใจโลกถ้าไม่มีธรรม เป็นแบบสบับแล้วจะไม่มีส่วนใดที่จะทำให้โลกได้รับความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมีความสุขได้เลยแต่คำว่าทำนั้นไม่จำเป็นจะต้องเขียนเป็นตัวหนังสือหรือบอกชื่อบอกนามไว้ว่า นี่คือธรรมนั่นคือธรรมและนั่นไม่ใช่ธรรมแต่สิ่งที่บุคคลทำลงไปแล้วเป็นไปทพ่ความถูกต้องผลได้รับความโวภเย็นแก่ตนและผู้อื่นนั่นทัาเรียกหลักธรรมในหลักธรรมชาติของธรรมเป็นอย่างนั้นที่เราทั้งหลายไม่อาศัยธรรม เป็นความประพฤติหรือเป็นแนวทางแห่งความประพฤติไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรมก็เพราะว่าใจของเราไม่มีขอบเขตความประพฤติของเราไม่มีประมาณถ้าไม่มีธรรมเป็นแบบจะแ บ, บเหมือนกับเส้นบรรทัดแล้ว จะหาความแน่นอนและความวยุติลงไม่ได้พรานั้นทำจริงเป็นจ ร, จริงจำเป็นที่โลกจะต้องหมุนตัวเข้าหาเสมอใครจะถือศาสนาใดๆก็ตามจุดที่มุ่งหวังก็คือเพื่อความจเจริญของตนและส่วนรวม สิ่งที่ผู้ปฏิบัติได้รับผลตามความมุ่งหมายนั้นต้องเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือการปฏิบัติของผู้นั้นถูกต้องตามหลักธรรมทั้งฝ่ายเหตุคือการนําเนินทั้งผลที่สิ่งที่ได้รับเป็นที่ถึงพอใจนี่ท่านเรียกว่าหลักธรรมเป็นเนี้ผู้ไม่ได้ปฏิบัติ และไม่สามารถจะรู้หลักธรรมตามความจริงของธรรมล้จะปฏิบัติต่อตอนเองก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องจะปฏิบัติต่อสิ่งเกี่ยวข้องก็ไม่สม่ำเสมอและถูกต้องแม้จะเกี่ยวกับมูเพื่อนด้วยกันก็ไม่ถูกต้องเพราะจักจะจากหลักธรรมผิดแบบจับับ ตามธรรมดาของใจจะต้องคิดไปโดยไม่มีประมาณสิ่งใดที่ตนชอบใจใจชอบจะคิดสิ่งนั้นให้มากและอยากจะให้เป็นไปตามใจหวังของตนแม่คนอื่นก่อนจะให้เป็นไปตามใจของตนสิ่งอื่นก็จะให้เป็นไปตามใจเมื่อเป็นไปนั้นสิ่งที่จะ ได้รับเป็นเครื่องสนองตอบแทนตามใจที่ไม่มีขอบเขตจึงไม่ค่อยจะสมความมุ่งมากนกรถนานอกจากนั้นยังกลายเป็นความเลือดร้อนแฉตนอยู่ด้วยนี่คือการปฏิบัติตัวเองม่ได้เข้าในกรอบห่งหลักธรรมซึ่งเป็นของแน่นอนถูกปฏิบัติปฏิบัติ สิงส่วนคำหนึงถึงหลั ก, กรรมคือความถูกต้องเสมออย่ามองดูตนให้มากกว่าความถูกต้องและอย่ามองดูคนอื่นให้เลเยควาเจ็บแห่งความถูกต้องมองหน้าที่การงานก็เพื่อความถูกต้องถ้าหากว่ามองตนให้ผิดจากความถูกต้องมองคนอื่นให้ผิดจากหลักแห่งความถูกต้อง มองดูหน้าที่การงานที่ตนจัดตนทำอยู่นั้นก็เป็นแต่ละกะัละกษณะเดียวกันแล้วผลจะไม่เป็นที่ถูกต้องและเป็นที่เย็นใจได้เลยเพราะสิ่งที่จะนำมาแห่งความเย็นอกเย็นใจย่อมเกิดขึ้นจากหลักธรรมคือความถูกต้องเนื่องมาจากการปฏิบัติของตนแต่ละรายละลายมุ่งเข้าสู่ความถูกต้อง ผลจึงเป็นขึ้นมาด้วยความภาคคูมิใจการปฏิบัติเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ก้าวเข้ามาสู่วงแห่งพระศาสนาจะพ่ออย่างยิ่งคือพวกนักบวชย่อมมีจุดมุ่งหมายต่อธรรมเป็นเรื่องสำคัญมากกว่าสินใดๆในตัวของเราแม้แต่จิตใจก็ต้องน้อมเข้าถาวายธรรมะ ของพรพุธจ้คือเป็นเสียงเท้ารองรับพระธรรมทุกบททุกบัตเพื่อความถูกต้องเสมอไปนี่คือหลักความอยู่เย็นเป็นสุขในตัวเองด้วยในท่านผู้เกี่ยวข้องกับเราจะมีจำนวนมากหรือน้อยด้วยตลอดทั่วทั่วไป ในวงกว้างยอมถือหลักธรรมเป็นของสำคัญจิตที่เป็นไปเพื่อความสงบเยือกเย็นไม่ได้ก็เนื่องจากจิตเดินข้ามขอบเขตแห่งความพอดีของธรรมหรือความถูกต้องที่เรียกว่าธรรมผลที่จะแสดงขึ้นภายในใจจึงเป็นไปเพื่อความรุ่มร้อนไม่สมประสงค์ที่ตนคิดไว เราภาวนาตั้งใจจะให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขภายในตนทำไมจิงกลายเป็นความร้อนร้อนขึ้นมาภายในใจนี่ก็เพราะเหตุที่จะยังขนเข่นนั่นให้เกิดขึ้นเขาดำเนินตัวอยู่ตลอดเวลาภายในใจของบุคคลผู้ภาวนาที่นั้นจิตที่เราคิดไว้ว่าตนอบรมจิตใจหรือภาวนา นี่เพียงเป็นเพียงขณะหนึ่งของจิตที่คิดขึ้นเท่านั้นแต่การดําเนินแห่งเข็มทิศของธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเขาเคยฝังอยู่ภายในใจของเรามาเป็นเวลานาน น, นั้นไม่ได้ฟังเสียงบุคคลผู้มีความคิดว่าตนจะนั่งภาวนาในขณะนี้เลยแต่เขาดําเนินไปตามเข็มทิศของเขาซึ่งเคยสังสมมา ทางเดินของธรรมชาตินี้ไม่ได้มีสถานีที่จอดแวะเหมือนกันกับสถานีรถเดินรถไปแต่ก้าวไปอยู่เสมอเช่นนั้นทั้งกลางวันกลางคืนแม้แต่หลับก็ยังต้องทำกลุยหมายป้ายทางเอาไว้เสมอหากจะไม่ลงมือทำได้ตามความชอบใจในเวลาหลับคอดี ธรรมชาตินี้แหละที่เป็นคาาศิษย์ต่อการอบรมจิตใจของพวกเราไม่ให้เป็นไปได้เพื่อความเยือกเย็นตามที่ตนมุ่งหวังเนื่องจากทางสายที่เป็นคาาศิษย์ของธรรมนี้ได้เดินตัดหน้าตัดหลังจีดขวางทางเดินของธรรมอยู่เสมอ ทำจริงหาทางข้าวเดินไม่ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นความสงบเยือกเกย็นภายในใจที่จะเกิดขึ้นจากการบาเพ็ญที่ถูกต้องจึงไม่ปรากฏให้ผู้บาเพ็ญได้รับผลเนื่องจากการบาเพ็ญของตนนั้นได้ล่วงไหลไปตามทางสายของสิ่งที่เป็นข้าศึกเสือตลอดทั้งวันทั้งคืนโดยเจ้าตัวไม่รู้สึก ฉะนั้นผู้ปฏิบัติจริงควรจะทราบทั้งทางผิดและทางถูกของใจทางผิดก็คือตามธรรมดาของจิตยอมจะคิดไปทางต่ำเสมอคือทั้งเพื่อผูกมัดตนเองให้เป็นผลเดือดร้อนภายในใจไดท้ทุกโอกาสและสถานที่ มีเป็นทางที่จีตขวางทางเดินของธรรมจึงควรทราบไว้เสมอแต่ทางเป็นที่เดินของธรรมนั้นรู้สึกจะเป็นทางที่รกรุงรังมากเนื่องจากไม่ค่อยจะมีใครเดินกันและชอบเดินกันจิตที่จะคิดไปในทางด้านธรรมะมีช่วงขณะ หนึ่งสองขณะเท่านั้นแต่จิตที่คิดเป็นใ้เตินไปเพื่อเป็นค่าสิกต่อตอนเองเสียเองนั้นรู้สึกจับเปิดไว้ตลอดสายทั้งกลางวันกลางคืนเดินเดินนัง่งนอนด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับตามความมุ่งหมายของใจงยังไม่ค่อยจะปรากฏ ฉะนั้นเพื่อความแน่นอนในผลที่ตนมุ่งหวังโปรดได้คำหนึ่งถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินของใจให้เป็นไปเพื่อเพื่อทำโดยถูกต้องและพยายามจีกกันทางสายที่จิตได้เคยเดินมาตลอดเวลาโดยไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าตัว นอกจากจะทำตัวเองให้เป็นคาศึกต่อตัวเองเสียโดยกำไม่มีทางอื่นที่จะเป็นไปได้การฝึกหัดดัดใจซึ่งเป็นสิ่งที่เคยขนองมาเป็นประจำและทุกๆวัยซึ่งเป็นธุรณะ ท, ที่ลำบากอยู่บ้าง แต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเหลือวิสัยของท่านผู้คกล้ต่อทมคือหลักอันถูกต้องและความสุกความเจริญเพื่อตัวเองจะทำไปไม่ได้หากว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์แล้วคำว่าสวขาต่อธรรมที่พระพุทธเจ้าตรับไว้ชอบแล้วนั้นก็เป็นโมฆะเพราะธรรมตรัดไม่ชอบแต่สอนคนไม่ชอบตามการตามสมัยตามวัยของบุคคล ธรรมะแม้จะจับไม่ชอบก็ไม่ชอบเพราะพาชนะที่จะรับไม่สมดุลกันกันกบธรรมะแต่ในคำว่าสวัส า, าิธรรมที่จับไม่ชอบนี้ชอบตามหลักธรรมด้วยเหมาะสำหรับอุปนิสัยของบรรดาชนทุกเพศทุกไว ทุกชาติชั้นวันนะด้วยจึงสมนามว่าสับคาตาธรรมพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้และตรัสธรรมะออกมาเป็นสับคาตาธรรมพระองค์ท่านก็มีการฝ่าฝืนจนสุดยิสัยของเราสามันชนที่จะดำเนินตามพระองค์ท่านได้ มีใครบ้างที่จะกาสเสียสละตัวเองถึงกับความสลบสไายเมื่อรอดตายแล้วก็ให้เป็นมนุษย์ที่รู้ที่เด่นขึ้นมาอย่างพระพุทธศจ้ายังไม่ค่อยจะปรากฏในประวัติของท่านผู้ใดที่จะสวมรอยพระองค์ท่านได้ไหนเรามาปฏิบัติเพียงวันสองวันเพียงปีสองปีสองปี เราจะให้มีความประเสริฐเลิศโลกยิ่งกว่าครูของเราคือศาสนาเราต้องเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกๆอาการความเพื่อนไหวของเรานี่คือว่าศิษที่มีครูการปฏิบัติยากเราก็ต้องยกพระพุทธเจ้ามาเป็นพุทธังสนังขะฉาม วาพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านดําเนินมายากแส่ยากยิ่งกว่าเราดำเนินอยู่ในขณะนี้การบําเพ็ญมาเป็นเวลานานไม่มีใครจะนานเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าความลําบากไม่มีใครจะเทียบพระพุทธเจ้าอ่ะความสละ เ, ลเนือดเมื้อชีวิตเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาตอนโลกไม่มีใครจะสละได้เหมือนอย่างพระองค์ท่าน เราทั้งหลายที่นั่งอยู่ด้วยกันหรือ ม, มาปฏิบัติเพื่อกันไม่มีใครจะกล้าเสียสนลตนเองให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้านะไหนเราจะถือว่าเราเก่งกว่าครูในทางความภาคความเถียมทำเพียงเล็กน้อยก็ถือว่าตัวได้ทำแต่กิริยาที่ทำเป็นอย่างหนึง่งกิริยาที่คิดให้เสียจากหลักธรรมนั้นเป็นอีกอย่างหนึง่งโดยที่เจ้าตัวไม่ได้คาหนึง่ง ผลที่ปรากฏขึ้นมาก็มาจะเป็นไปตามแบบะบับแห่งธรรมที่สอนไว้เนื่องจากจิตผู้จะดำเนินตามธรรมเปรียกตัวไปดำเนินทางของที่มีผักมีหนามเครื่องที่มแทงหัวใจเสียโดยมากเพะนั้นผลที่เกิดขึ้นจากความเป็นค่าสึกต่อตอนเอง จิตจิงหาที่ปรงวางเพื่อความสะดวกเย็นใจไ่ะ น, นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากตัวของตัวเป็นค่าศึกต่อตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้ฉะนั้นท่านนักปฏิบัติทุกท่านโปรดได้ทราบลงในจุดเดียวกันว่าความเป็นค่าศึกต่อตัวเองก็คือเรื่องของใจเราที่ไม่รู้จักีิธีปฏิบัติต่อตัวเอง ทำเป็นคุณแก่ตนเองก็คือรู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหนักก็ยอมรับเบาก็ต้องสู้ถึงไหนถึงกันขอแต่ว่าแนวทางแห่งธรรมท่านสอนไว้อย่างไรวิธีของจิตถ้าไม่สามารถจะดำเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ชื่อว่าจิตไม่มีถูก ถ้าสิทธิที่มีครูต้องดำเนินตามรอยของถูกความลำบากพระพุทธเจ้าเป็นครูมาก่อนแล้ววิธีดำเนินปฏิบัติทุกด้านพระพุทธเจ้าเป็นครูมาของพวกเรามาทั้งหมดตลอดความรู้ความฉลาดที่ได้มาจากการดำเนินของพระองค์ท่านก็เป็นครูของพวกเราอีกถ้าเราไมไ่ถือเอาหลักของพระพุทธเจ้ามาเป็นครู แต่ปล่อยให้เรื่องสิ่งที่เป็นค่าติกต่อตนเองภายในใจของตัวเป็นครูค่ามสอนพักจูงไปตามที่เคยเป็นมาแล้วเราก็จะต้องเป็นลูกจิ์ที่ปราศจากครูอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นยังเป็นเทวทัศ ส, สังหารตัวเองอีกด้วยพุธทธะที่ควรจะรู้ควรจะฉลา ควรจะผ่านพ้นสิ่งที่เป็นฆาตศึกไปได้ด้วยข้อปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็กลายเป็นฆาตศึกต่อตอนเสียเนื่องจากตัวเองเป็นฆาตศึกต่อตนเองด้วยวิธีปฏิบัติให้ผิดพลาดหรือไม่คำหนึงถึงความติดท้องตนนี่ท่านเรียกว่าเทวทัตที่ฝังอยู่ภายในใจเทวทัตนี้ไม่ได้ไปทําลายพระพุทธเจ้าองค์ไหน แต่มาทำลายพุทธะาภายในใจของตนไม่ให้ก้าวพ้นไปจากทุกข์ได้จะเป็นทุกข์ท่านใดก็ตามไม่สามารถจะผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจของเทวทัตกดถี่บังคับไม่ตลอดสายไม่มีเวลาที่จะตรงวางลงได้ด้วยความถูกต้องเราอยากคิดเห็นว่าพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเป็นเวรกันแต่ให้เราถือว่า ใจของเรานี้เองเป็นกรรมเป็นเวรต่อตัวของเราจรึงไม่สามารถจะ ก, ก้าวพ้นจากความจากเวรคือเทวทัศน์ตัวกีดขวางและทา้งพันอยู่ในขณะ น, นี้ให้ถึงความรู้ความวิเศษที่อียกแบบพุท ธ, ธะที่บริสุทธิได้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ย้อนเรื่องภายนอกเข้ามาสู่เรื่องภายในนำเรื่องของคนอื่น เข้ามาเป็นเรื่องของตัวเราเราจะมีทางที่จะนาปดเคื่องแก้ไขและเราจะมีทางทราบมากในใจของเราก็ย่อมมีส่วนชั่วเหมือนกันชั่วอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดมีอยู่กับใจของเราถ้าเราพอทราบได้เช่นนี้ในขณะเดียวกันเราก็จะมีธรรมะคืออุบายที่จะปลีก ตัวของตัวออกจากสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภายตัวตนภายในใจดวงเดียวนี้ได้ตามกำลังความสามารถของเรามีวิธีปฏิบัติธรรมะตามแบบรูของเราสอนให้โอปนะอีโก้น้อมเข้ามาเพื่อแก้ไขตนเองเสมอ ไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไปไม่ได้คําว่าวัฏฏะเราอยากเข้าใจว่าดินผ้าอากาศพระทิศพระจันทร์และโลกทั้งโลกเป็นมตฏะโปรตีดูดวงใจที่หมุนรอบตัวอยู่นี่ด้วยความไม่รู้จักประมาณและหาที่โรงวางตนไม่ได้นี้เองเป็นมัตะหมุนอยู่เช่นนี้จนหาทางออกทางเข้าไม่ได้หาที่แก้ที่ตดไม่ได้ มีแต่ความหมุเนเย็มเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอนั่งอยู่ก็หมุนนอนดอูก็หมุนยิ่งกว่ากงจักรในโรงงานก็อีกเพราะนั่นเขามีเวลาปิดงานเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือถ้าควรจะเวลาแล้วเขาปิดงานขอน่ะแต่งานกงจักรภายในใจนี้ติดไม่ลงเข้าในลักษณะที่ว่าก่อไปแล้วดับไม่ไดับ นี่เราเปิดไฟขึ้นเผาเราแล้วเราหาอมายวิธีระงับดับไฟภายในใจของเราไม่ได้เจียงมีแต่ความรุ่มร้อนโลกกระทากว้างแสนกว้างก็มาร้อนอยู่ภายในใจดวงเดียวเมื่อใจมีความคับแคบแล้วไม่มีโลกไหนจะกว้างขวางในโลกนี้ดูที่ไหนก็ร้อนไม่มีความสบายจะดูในบ้านในป่าอยู่ในเมือง ในที่ชุมชนไม่อยู่คนเดียวได้รับทานอีมนอนสบายตามสภาพของขาดขันก็ตามแต่ใจมีความเดือดร้อนอยู่เสมอเพราะไม่มีวันหักห้ามกงจักคือความหมุนภายในใจตัวเองได้ฉะนั้นหลักธรรมทั้งหมดนับตั้งแต่ธรรมขั้นหยาบกลางและละเอียดเป็นเครื่องมือสําหรับที่จะหักห้ามกงจักภายในใจ ให้หมุนชาลงเป็นลำดับๆดบัจนหยุดความหมุนเยียนได้โดยเด็ดขาดดังองค์สมเด็จพระถู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นนี่คือว่าพันผู้ดับกงจักรได้จีภายในใจถ้ากคงจักรนี้ยังมีอยู่รดับใดจะเป็นส่วนละเอียดก็ตามก็คือว่าหมุนตัวอยู่เพื่อวัตตะเช่นนั้นเหมือนกันดังนั้นไม่มีอะไรที่จะดียิ่งกว่าการพยายามระงับดับ โกงจักภ า, ายในหัวใจของตนได้เสียโดยสิ้นเชิงเรื่องพบเรื่องชาติซึ่งเป็นที่ไหลามาแห่งความทุกข์ความทรมานตั้งแต่ส่วนเล็กน้อยจนถึงมหันตทุกข์จะเป็นสิ่งที่หมดปัญหาลงได้จากใจที่หมดเชื่อภายในตนแล้วคำว่าเทวทัตก็จะ หมดปัญหากันลงในขณะที่ใจได้ระงับดับเสียสิ่งท่าติกภายในตนเองโดยสิ้นเชิงจะเหลือตั้งแต่คำว่าพุทโธหรือพุทธะที่เด่นดวงและบริสุทธิ์อย่างเป็นที่ภายในตนนี่คือพุทโธ ท, ที่แท้จริงเป็นพุทโธ ท, ที่ไม่มีความสงสัยต่อเรื่องของตัวเรื่องเกิด มาจากเท่าไรก็เป็นอันว่าสิ้นปัญหาไปแล้วเรื่องตายก็มีปัญหาอันใดเพราะทราบแล้วว่าความผสมขึ้นแห่งธาตุทั้งหลายที่รวมกันเป็นธาตุตืดินน้ำลมไปเป็นเพียงเขาสลายตัวลงไปสู่ธาตุเดิมของเขาเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะบกกร่องไปตามธาตุเหล่านี้สลายตัวไปเพราะความรู้สึกเป็นของตนโดยสมบูรณ์แเรื่องพบธาตุที่จะ ก่อกำเนิดเกิดขึ้นในพบใหม่นั้นก็ไม่มีอันใดที่จะเป็นเชื้อให้ก่อกําเนิดเกิดขึ้นได้อีกเนื่องจากเชื้อที่พาให้เป็นมาเป็นไปซึ่งเคยฝังอยู่ภายในจิตอันเป็นเจ้าตัวการนี้ได้สิ้นสุดไปโดยสิ้นเชิงแล้วจิตนี้จึงเป็นจิตที่พอตัวเป็นจิตที่บริสุทธ คำว่าวิมุตก็คือความหลุดพ้นจากความหมุนของตนเองนั่นแหละไม่ใช่หลุดพ้นที่ไหนหลุดพ้นจากสิ่งที่เคยเกาะเกี่ยวกับตนเองและเป็นค่าตศิษย์ต่อตนเองโดยเจ้าตัวไม่รู้ลายเป็นความรู้ขึ้นมาจากจิตจิตที่เคยลุ่มหลงนี้ท่านเรียกว่าวิมุตเป็นผลเกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัต คือความขยันหมั่นเพียรหลักธรรมะสีข้อซึ่งเป็นเครื่องสนับสนุนอย่างเอกได้แก่ฉันทะเป็นผู้พอใจในธรรมะที่จะปฏิบัติเพื่อตนเองทุกแง่ทุกมุมเวริยะมีความขยันหมั่นเพียรต่อการกำจัดสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นภัยทุกทุกระยะไม่เลือกการเวลา ไม่เลือกไหวไม่เลือกเพศจิตตะมีใจจดจ่ออยู่เสมอที่จะยังงานชิ้นเอกคือความพ้นจากทุกข์ของตนให้สำเร็จได้ตามใจฝันวิมังษาทางใดจะเป็นไปเพื่อความบุคค้น แหนจะยากแสนยากโลกทุงรังสักเท่าไรข้อตามจะพยายามถากขางออกด้วยปัญญาเสมอทำตั้งสี่ข้อนี้ตั้งอยู่ในโลกโลกก็มีความเจริญรุ่งเรืองมีความแน่นหนามั่นคงตั้งอยู่ในบุคคลใดบุคคล น, นั้นไม่อดอยากขาดแคลนสถานที่อยู่อาหารการรับผ่าน เครื่องใายไม่สอยไม่อดไม่ยากเพราะอำนาจแห่งชันทะนิยะปิตะยิมังสาเป็นเครื่องมือหรือเป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นมาได้ตามใจหลังนี่อยู่ในผู้ไข่ต่อธรรมะก็เป็นผู้มีความสมบูรณ์ด้วยธรรมะศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็สมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์ีิมุติก็ดูดพ้นได้โดยเด็ดขาดเพราะอานาจแห่ง กันท้าวเวรยัคิตะที่มังสาสี่ขอนเวลานี้เรากำลังอยู่ในรางมหาสมุทรทะเลมองไปทางไหนก็ไม่เห็นฝั่งเผ็นแดมฝั่งที่ข้ามมาแล้วก็ไม่ทราบว่าไกลแค่ไหนตัวเองไม่สามารถจะมองย้อนหลังไปได้ว่า เคเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ภพซึ่งเป็นฝั่งเดิมของตนอนาคตข้างหน้าจะเป็นไปได้อีกกี่ภพกี่ชาติเพียงจะถึงชาติที่พ้นจากภัยเราก็ไม่สามารถจะกําหนดนับอ่านได้ในภพชาติของเราข้างหน้านีาน้จิเตีบเหมือนกันกับว่าฝั่งข้างโน้นของมหาสมุทรปัจจ <Okay. S 1> ุบันก็ไม่ทราบว่า เราจะไปยังไงมาอย่างไงตายจากนี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นอะไรที่ไหนจะรับความสุขความทุกข์ความโง่ความฉลาดลำบากลำบนแค่ไหนไม่สามารถจะช่างตวงตัวของตัวได้จึงเป็นเหมือนอยู่ในกลางมหาสมุทรอาศัยแต่เรือลำเดียวที่ลอยลำอยู่เท่านั้นภายในมหาสมุทรและจะถูกอับปางลงด้วย ไทใดๆก็ไม่สราบจะด้วยลมหรือด้วยอะไรก็ไม่รถ้าหากคืออับปางแล้วเราจะไปอาศัยอะไรอัตภาพนี้ก็ต้องยอมจมน้ําไม่มีอะไรเหลือแล้วเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เพราะว่าเรือยังไม่อับปางเทียบกับอัตภาพของเรานี้ยังไม่สลายตูวชีวิตลมหายใจก็ทําหน้าที่ของตนอยู่ แต่ก็ทำอยู่ด้วยความไม่รู้ว่าจะไปยังไงมายังไงกันนี่มันเข้าในวัดตะลุวนไปวนมาอยู่เข็มทิศทางเดินของผู้จะข้ามจากมหาสมุทรทะเลหลวง นอกจากหลักธรรมะคำตั้งสอนของพระโพธเจา์ที่แสดงไว้แล้วโดยถูกต้องไม่มีสิ่งใดจะสามารถลื้อฟื้นคนให้พ้นจากมหันต์ทุกข์คือความเกิดแก่เก็บตายนี้ไปได้นี่เป็นหลักสำคัญที่เราจะทำความรู้สึกตัวต่อธรรมะของพระโพธเจารยโดยไม่เห็นว่าเป็นความลาบากยากจน การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกับการทำงานซึ่งเป็นกิจประจำวันของเราใครจะทำงานชิ้นไหนก็ต้องยากลำบากแต่ก็เพื่อผลรายได้มาสำเร็จความเป็นอยู่ของตนด้วยกันฉะนั้นคนเราจึงอยู่ว่างไม่ได้จะลำบากเพราะการทำงานก็ต้องทำ เนื่องจากความจําเป็นของธาตุขันบีบบังคับจะไม่ทําไม่หลัเรื่องงานภายในใจก็โกรดได้เทียบเทียงกับงานภายนอกต้องมีการลําบากเช่นเดียวกันพดข้าอดต้าจะไม่ลําบากอย่างไรถ้าไม่ลาบากแล้วโลกนี้เขาไม่ต้องทําไร่ทํานากันสดข้าอดต้าก็สบายแต่นี้ก็เป็นทุกข์อดไม่ได้ต้องตาย เรายังพออดได้วันหนึ่งรับเพียงมือเดียวเขารับวันวันหนึ่งสา ม, มือสี่มือเขารับแบบนั้นเราก็นั บ, บฝ่าฝืนบุปผสักมาได้คนทุกข์ทรมานเอาได้การรับทานเพียงมือนึงเราก็อยู่ได้เพราะความเคยกินของการอดเสมอเราก็ถือเป็นธรรมทาไปนะน่การรักษาศีลก็เหมือนกัน นักษาเบื้องต้นก็ลำบากถ้านักษา น, น, นานๆเข้าก็มีความเคยชินก็สบายไปเหมือนกับงานที่เราเคยทําแล้วก็ค่อยง่ายขึ้นเพราะความเคยชินของการทำงานนั่งสมาธิภาวนาเบื้องต้นก็ต้องเป็นความยากลาบากเหมือนกันพอจะเริ่มต้นนั่งสมาธิเท่านั้นเหมือนกันกบจะถูกถามเข้าไปสู่ตะแลงแกง เขาประหารชีวิตเริ่มจะนั่งภาวนารีบตั้งนาฬิกาไว้ก่อนแล้วถึงเวลาเท่านั้นเราจะรีบออกเวลานี้เราจะรีบเข้ามาได้พูดเนตจะรีบออกทั้งๆยังไม่เข้าก็จะรีบออกเห็นเรล่อเ่เวลาที่จะออกนั้นเป็นเงินเป็นทองแต่เห็นเวลาที่จะเข้านั้นเป็นมูดเป็นคูดไปเสียแล้วนี่เบื้องต้นมันต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน แต่จะยากลำบากเราก็จะเข้าเราจะทําไม่มีใครจะบังคับให้เราทํานอกจากเราจะบังคับตัวเองเพื่อความถุกความเจริญที่ตนมุ่งหมายทำเอายากก็ทําลําบากก็ทำํำนี่หนะ้าที่ของผู้คลาต่อธรรมะฉันทะพอใจที่จะนั่งภาวนาวิญญาะเพียมพยายามดูวิถีทางเดินของจิตมันจะคิดไปไหนมั่งจิตคิดออกจากเราเราเป็นเจ้าของของใจทําไมจะไม่ทราบความคิด เข้าออกดีชั่วของใจถ้าเราตั้งใจระมัดระวังรักษาอยู่เราต้องรู้คิดตะเอาใจจดจ่อดูเรื่องของตัวที่มังสาใข้ควรดูมันคิดไปทางไหนถูกหรือผิดดีหรือชั่วคิดไปเรื่องอดีตหรืออนาคตคิดโปรดเขาหรือคิดรักเขาชังเขาหรือกับสิ่งใดบ้าง คิดพิจารณาให้รอบคอบเบิกปัญญาพันเรียกอีมังกาใครตรองดูอัตภาพของเราที่เรารักสั่งสน ม, มากๆนี้จะรักกันไปได้สักกี่วันกี่ปีกี่เดือนแล้วจะละลายลงไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟปรากศจากความเป็นเราเวลานี้นั่งเฝ้ากันอยู่คำวมาเรากับปรากฏเป็นตัวของเราจริงๆเวลานี้แต่จะเป็นพนากสักกี่วันกี่ปีกี่เดือนหนึ่งปัญญา สอดจองมองลงไปดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปผิวหนังดูเข้าไปให้ชัดเข้าไปข้างในเท่าไรเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเป็นกองอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนัง้นปัญญาสอดจองมองทะลุลงไปเห็นทุกขึ้นทุกส่วนด้วยความเป็นไตรลักษณ์ประจักษ์กับปัญญาของตนจิตที่เคยหมักหน ม, มจิตที่เคยสังสม จิตที่เคยยึดมั่นถือม In ั Today, ่นในสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะทนตัวอยู่ไม่ได้เหมือนกันกับว่าไฟไหม้เรือนแม้จะอยู่ในห้องเรือนของตัวเองเพราะความรักความสงวนบ้านเรือนก็อยู่ไม่ได้จำเป็นต้องรีบออกจากบ้านเรือนทั้งๆที่รักสงวนอยู่ปลอยให้ไฟไหม้จะเป็นเป็นเท่าเป็นถ่านไปตนเองได้แน่นอดหรือปลอดภัยไปแล้ว เป็นของที่มีคุณภาพดีกว่าที่เราจะยอมตายอยู่ในกองเพลิงเพราะความรักบ้านรักเรือนนั้นนี่ลักษณะนี้ฉันใดใจพยายามถอดถอนตนเองด้วยอำนาจของปัญญาจากกายซึ่งกำลังถูกชราพยาธิอันเป็นเพลิงทั้งกองเนี่ยเผาล้นอยู่ทั่วทั้งสกุลกายไม่ว่าเบื้องบนเบื้อ ง, งล่าง ถอนตัวออกไปได้จากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่ท่นานบอกเป็นยอดดีถต่มันเหลือตั้งแต่กากเมืองเท่านั้นถ้า พ, พยายามจุราะมันจะได้เพราให้ได้แต่กากเมืองสมบัติเราขนออกไปหมดความเฉลยวฉลาดชื่ ง, งามความดีถอดถอนออกไปได้หมดใจก็ได้เป็นใจที่บริสุทธิ์ทุตโธลุกเล็ดลอดออกไปจากอสัพพาพลังกายซึ่งเป็นของปฏิกูล เป็นกองตรายรักหรืออนิจจังทุกขังอาตาไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นความอาลัยอาวรณ์กับสิ่งเหล่านี้เพราะเห็นชัดด้วยปัญญาแล้วว่านี่คือกองทาากองขันมาประชุมกันแล้วสลายตัวลงไปไม่มีความเสียดายหปัญญาพิจนาให้เห็นชัดแบบนี้ เพงแตได้เห็นร่างกายชัดเจนอย่างนี้แล้วปัญญายังจะไม่ยับยัง้งในสิ่งที่ตนยังไม่เห็นแจ้งชัดซึ่งเกี่ยวกับอยู่กับกลดวงเดียวยังจะแทงทะลุกโปรงลงไปถึงพวกเมตนานคือความสุขความทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในใจไม่เพียงแต่มีอยู่ภายในใจครับแยกออกได้ หนึ่งกายถอนออกมาได้จากอุปาทานความถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราสองแยกออกมาได้จากเวทนาทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยเฉยโดยไม่ถือว่าทั้งสามประเภทนี้เป็นเราเป็นของเราเรื่องสัญญาตั้งฐานวิญญาณซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับสัญญานี้ก็ถอนออกได้โดยไม่ถือสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเช่นเดียวกัน ความรู้ที่มีอะไรฝังอยู่ภายในเป็นยาพิษอย่างละเอียดที่ท่านไห้ชีว่าอวิชชาคือความหลงตัวเองนั้นปัญญาก็สอดแทรกแทงทะลุลงได้อีก็นไม่มีอวิชชาตัวใดจะฝืนนอนจมอยู่ภายในใจได้เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาถูกปัญญาแทงทะลุปุรงไปหมดสลายตัวลงไป สิงที่รู้ว่าข้าสึกได้สลายตัวลงไปนั่นคือความบริสุทธิ์หลุดออกมาแล้วจากสิ่งทั้งหลายที่ให้ที่ให้เคยให้ชื่อว่าเป็นขันมาแต่ก่อนคือกองรูปได้จะส่วนร่างกายทุกส่วนเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยทั้งทางกายและทางใจสัญญาความจดจําได้หมายรู้สังขารความคิดของใจ คิดดีคิดชั่วเรียกสังขารตรงนั้นวิญญาณความรับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสเกี่ยวข้องกับตนนี่คือกองแห่งขันแยกกันได้จากจิตแน่จะเกิดขึ้นจากจิตก็ทราบแต่ว่าเป็นอาการหนึ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากจิตหาได้เป็นจิตไม่นี่แยกกันได้อย่างนี้จิตที่เคยถือว่าตนเป็นจิตตนเป็นตนตนเป็นเราเราเป็นจิตก็แยกกันออกได้ ด้วยอํานาจของปัญญาจิตในขั้นต้นเป็นจิตสมมติเครือบแสงอยู่ด้วยสมมติทั้งส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดเต็มไปหมดในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นแหละท่านให้ชื่อว่าจิตตาอาวิชชาปัญญาได้สอดแทรกนิยแท้งทะลุออกไปหมดจนไม่มีอะไรเหลือในคําว่าจิตเป็นเราเป็นของหน่อ สิ่งที่เหลือก็คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงนี่ไม่ถือว่าพุทโธนี่เป็นเราพุทโธนี่เป็นของเราความบริสุทธิ์นี่เป็นเราความบริสุทธิ์นี่เป็นของเราเราเป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้ถืออย่างเหมือนอย่างที่เคยถือในสิ่งอื่นมาเป็นสภาพที่วางตัวเป็นกลางสมอนี่คือวางจิตได้โดยถูกต้องระหว่างจิตกับจิต จิตที่เป็นสมมุติป็ปล่อยวางได้โดยเด็ดขาดจิตที่เป็นยมุติก็รู้เท่ารู้ทันไม่ยึดมั่นถือมั่นในความหุดพ้นของตนขันตั้งห้าก็รู้เท่าทันไม่มีสิ่งใดจะฝังจมอยู่ภายในจิตเหมือนอย่างที่เคยฝังมาแล้วตั้งกลับตั้งกันนี่คือผู้หลุดพ้นแม่จะมีขันอยู่ก็เป็นผู้หลุดพ้นจากความยึดยึดมั่นถือมั่น ที่เคยถือขันนั่นมาเป็นหอกเป็นหนาบทิ่มแทงตัวเองให้รับความทุกข์ความย่ำถอดเปี่ยนออกถอดน้ําออกจากเรื่องของขันทั้งสิและถอดเพี่ยนถอดน้ําออกจากกิจตาวิชาที่เคยฝังจมกับภายในใจมากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์หมดความสมมุติว่านี่ใจนี่เรานี่ความบริสึทเป็นเราเราคือความบริสุทอันนี้ หมดการปักปันเถื่อนเด่นในสิ่งใดๆทั้งนั้นไม่ว่าส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าข้างนอกข้างในรู้เห็นตามเป็นจริงรอบตัวนี่คือผู้รู้ตัวผู้รู้พบรู้ชักิผู้รู้ถอนพบถอนชาผู้รู้ถอนทุกทั้งภายนอกทั้งส่วนกายทั้งภายในที่ส่วนใจ หมดปัญหาพบหน้าก็ย่นเข้ามาสังหารกันในจิตดวงนี้พบหลังที่เคยเป็นมาก็มา ย, ยุติกันเพียงแค่นี้ปัจจุบันในบัตรนี้เป็นจิบที่บริสุทธิ์เป็นจุดศูนย์กลางแห่งความทำลายภพบาติทั้งหลายได้จากจิตที่บริสุทธิ์ดวงเดียวนี้นอกนั้นไม่มีปัญหาใดๆคำว่าวัตตะที่ไหนๆหมดปัญหากันไป เพราะจิตที่เป็นตัววัตตะได้หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงภายในตัวเองแล้วะนั้นขอให้ท่านนักปฏิบัติทุกๆท่านซึ่งก็มุงหน้ามาด้วยความส้นอกส้นใจและขอขอบคุณอนุโมทนาลูกจิตที่มาจากทางไกลสละทั้งเว ล, ลาหน้าที่การงานทับสมบัติ ชีวิตติดใจล่วนแล้วตั้งแต่เป็นของมีคุณข่าเป็นผู้กล้าหารเพื่อความเสียสลับต่อธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธิจักรได้บาดปานหันหน้าเข้ามาสูดแดนของป่าซึ่งไม่ผิดอะไรกันกับแดนนรกโพไม่มีความสามารถอ่าหาริงจริงแล้วรู้สึกจักไม่มีใครกล้าเสียสลัตัวเองในล่าเวลาปัตสมบัติเข้ามาอยู่อย่างนี้ งันโปรดได้ส่งเสริมคุณงามความดีของตนที่มีมาแล้วและกำลังเป็นไปอยู่ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเป็นลำงงหนักลำหนักจะไมค้นจากทาทั้งสี่พอที่รึดยกขึ้นแสดงมาชั้นทะวิทยกิตติมังสานี่ใสได้เลยในอวาสารแห่งธรรม น, นี้ขออนาจของ อีงานในภาคองต้นเด็กพระผู้มีพรภาคต่างก้าาอมทั้งกระธรรมและประสงค์มาคุ้มครองนักษาธรรมนักปฏิบัติทั้งหลายที่อีสานมาบำเพ็ญตนด้วยความแค า, า่งขรให้มีความจุดสำรางภายในใจิตใจโดยทั่วกันคอ